เพราะฉะนั้นในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ตามที่อาทิตย์ไให้เข้าใจง่ายๆคือกายกับเวทนาก็เป็นรูปจิตกับอารมณ์ก็เป็นนามดูกายกับใจดูรูปกับนามคือดูสติปัฏฐานสี่นั่นเองก็เป็นนามคือความรู้ที่เป็นอารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งที่คันรู้ก็เป็นนามใครเป็นผู้หนาวใครเป็นผู้ร้อนน่ะรูปเป็นผู้ร้อนหรือใจเป็นผู้ร้อนเวลาร้อนโอ้วันนี้ร้อนหนักเกินน่ะกายร้อนหรใจร้อนใจร้อนถ้าคนตายมันร้อนไหม เพราะมันมีแต่รูปเนาะไม่มีหนาวใจมันเพราะนั้นก็แก้ที่ใจแก้ที่กายก็ไปอาบน้ําให้มันสบายหรือไปอยู่ที่ร่มมันสบายถ้ามันร้อนถ้าใจเนี่ยเวลามันร้อนใจขึ้นมาไปอยู่ที่ร่มมันจะใจมันจะเย็นไหมถ้าใจมันร้อนขึ้นมาไปอยู่ในห้องแอใจจะเย็นไหมอ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำมันจะแก้ด้วยน้าคือใช้สติใช้ปัญญา เศรษฐีปัญญาเป็นนามจิตก็เป็นนามนะที่ลเลออกแข็งแข้งตึงก็เป็นรูปเพราะมันอาศัยข้างนอกร้อนเพราะอาศัยความร้อนข้างนอกเป็นรูปกายแล้วก็เป็นรูปรูปมันก็เข้ากับรูปนามก็เข้ากับนามนะข้อสามจะพัฒนาตัวเองอการพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องใช้อะไร เป็นเครื่องวัดพัฒนาทางด้านไหนอพัฒนารูปหรือพัฒนานา ม, นามในนี้ในที่นี้ไม่ได้บอกว่านามนะพัฒนาไม่รู้พัฒนาอะไรพัฒนาของพัฒนาตัวเองต้องใช้อะไรพัฒนากายก็ต้องใช้ความเข้มแข็งเป็นเครื่องวัดนะพัฒนาสีลก็ความเป็นระเบียบวินัยเป็นเครื่องวัดนะ พัฒนาจิตก็มีความมั่นคงเยือกเย็นเป็นเครื่องวัดแล้วพัฒนาอารมณ์ก็มีความเฉลียวฉลาดทันเหตุทันการเป็นเครื่องวัดนะพัฒนาตัวเองมีพัฒนาสี่อย่างพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตและพัฒนาปัญญาคำว่าตัวเองนี่หมายถึงสี่อย่างนี่กายศีลจิต และปัญญากายต้องพัฒนาด้วยศีลจิตต้องพัฒนาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพัฒนาศีลกับพัฒนาปัญญาชื่อว่าพัฒนากายและพัฒนาจิตเข้าใจไหมข้อสี่การดูควรจะทําจะทำํำเวทนาให้เกิด เมื่อเวทนาเข้ามาสู่จิตแล้วพยายามทำจิตให้เป็นกลางหรือทำให้มีทุกขเวทนาเบาบางเพื่อให้จิตคงสภาพเป็นกลางได้นานๆอย่างไรกา ร, การดูเวทนาเมื่อเวทนาเข้าสู่จิตแล้วเราพยายามให้จิตเป็นเป็นกลางนะเพราะนั้นให้จิตเป็นกลางคือจิตที่ไม่เข้าไปเป็นสุขเมื่อสุขเกิดขึ้นจิตไม่เข้าไปเป็นทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้น จิตไม่เข้าไปเป็นร้อนเมื่อร้อนเกิดขึ้นจิตไม่เข้าไปเป็นเย็นเมื่อยเย็นเกิดขึ้นเรียกว่าจิตเป็นกลางนะตัวจิตเป็นกลางนี่เองเรียกว่าตัวที่เป็นนามแต่ถ้าหักของข้างมันเป็นรูปถ้าอยู่เป็นกลางปั๊บมันกลายเป็นนามนามจิตตรงกลางเสมอถ้าไปซ้ายก็เป็นรูปไปขวาก็เป็นรูปไปซ้ายเป็นรูปดีไปขวาเป็นรูปไม่ดีไปซ้ายเป็นรู ป, ป, ปร้อนไปขวาเป็นรูปเย็น ไปซ้ายไปลูกแข็งไปสวาไปูกอ่อนอย่างนี้นะพอมาตรงกลางปับ๊บไม่เข้าไปทั้งแข็งทั้งอ่อนรู้อ่อนรู้แข็งเฉยเฉยรู้ร้อนรู้เย็นเฉยเฉยจิตก็เป็นกลางอันนี้ก็รักษาไว้ได้นานข้อสี่การจดบันทึกจะไม่ทําให้จิตฟุ้งซ่านอหรือทําให้เพลินได้ง่ายเพราะในช่วงมันจะทําให้ขาขความต่อเนื่องไหม <c oughs> การรูปผลดีผลเสีย นีนี้เราจะคุ้มห <c oughs> รือไม่ฮการจดบันทึกถ้าจดด้วยสติเรียกว่าทําให้เกิดปัญญาแต่ถ้าจดด้วยขาขสติเขาเรียกว่าทําให้เกิดฟุ้งซ่านนี่นัดจดด้วยอะไรจดด้วยสติหรือจดด้วยฟุงฟ้งซ่านอ้าวฟุ้งซ่านก็ไม่คุ้มนะ <c oughs> ถ้าเมื่อไรฟุ้งซ่านอยู่ก็อย่าพิ่งจดน ะ, ะถ้าตั้งสติขึ้นมาก็าจดลงไปนี่จะคุ้มเพราะได้ได้ปัญญายิ่งจดก็ยิ่งเกิดปัญญา เพรได้จดด้วยสติก็จะเกิดปัญญาถ้าจดด้วยความพอใจไม่พอใจก็จะเกิดความฟุง้งซ่านเพราะนั้นเมื่อเกิดความไม่พอใจก็ยิพึ่งจดเอาไว้ก่อนโพ้รู้สึกไม่ชอบโอนนี้ผมไม่ได้บันทึกแล้วเพราะผมรู้สึกไม่ชอบเลยไม่ส่งบันทึกเลยแสดงเข้าไปเป็นความไม่ชอบหรือเราเป็นผู้รู้ความไม่ชอบอเข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดปัญญา ด้วยกันไม่บันทึกไม่เกิดปัญญาเหมือนกันเพราะเข้าไปเป็นความรู้สึกไม่ชอบฉ่านนั้นจะทําไงเขาต้องมาตั้งสติดูความไม่ชอบให้มันดับไปแล้วก็ลงมือบันทึกถึงความไม่ชอบว่ามีอาการอย่างไรเราสามารถบรรยายความไม่ชอบว่าเป็นตัวริษยาได้อ น, นั้นเป็นปัญญาคุ้มไหมอ่าคุ้ม ก็บรรยายไปเมื่อ้องว่าเออความไม่ชอบเป็นอย่างงี้ผมรู้สึกไม่ชอบขณะที่ผมจะบันทึกความไม่ชอบเป็นอย่างนี้ๆบรรยายอาการความไม่ชอบออกมาตรงนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจัยเป็นธรรมวิจยะสัมพุทธชงคุม้มใช่ไหมอ่าเพราะมันเกิดธรรมวิจยะละเพราะเรากำลังพัฒนาถึงความจริงที่ปรากฏไม่ใช่เป็นคิดเอา อ่าข้อหกนะหลวงพ่อช่วยบอกวิธีการที่หลวงพ่อใช้แก้นิวรณ์ทั้งห้าตัวเอาของหลวงพ่อเลยใช่ไหมหลวงพ่อไม่มีนิวรณเลยไม่บอกไม่ได้ <laughs> แก้ลำเนินนอด <laughs> ว่างเพราะหลวงพ่อไม่ไม่มีนิวรณ์เราไม่ต้องแก้ต้องถามคนที่มีนิวรณ์ใใครว่างที่มีนิวรณ์ลูกชาแบรนด์มีนิวรณ์ไหมวันนี้ไม่มีครับ นม่มีนะอะ่มีก็โดนตอบได้นอนเลยนะหลวงตาแบนเอาตัวรอดเหมือนกันนะให้ใครมีนี่พรุ่งนะี้นะฮะเอาตัวรอดได้หลวงตาแบนโอเคนะอ่ามีแต่สัมมณีนเลยแนตะถามเนะี่ยพระไม่เคยถามเลยพระสงสัยรู้หมดแล้วทีนี้สัมเณีนสัมเณีสัตยพรสัมมณีหนึ่งถามมึง ถ, ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงมันเกิดปัญญามันเกิดคำถามนะครับถามว่าถ้าเบื่อมากๆเกิดขึ้นจะมีวิธีแก้อย่างไรครับวันนี้ใครเบื่อว่างยกมือขึ้นอ่านี่น็นนอตเบื่อน้นหนึ่งเบื่อแก้ได้ไหมอ่านี่น็อตช่วยแก้เน้นหนึ่งหน่อยแกอย่างไงเรืงเบื่อ เออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอานี่ให้เนหนึ่ง น, นะแง<ด>ก็ความเบื่อก็มาในช่วงเหมือนว่าทุกคนจะมาเหมือนกันนะครับช่วงใกล้ใกล้จะเลิกแล้วก็วิธีที่ผมแก้ก็คือเวลาเบื่อเนี่ยมันมันจะทนนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ครับมันมันจะรู้สึกลุกดีลุกโลนอยากอยากจะทำอย่างอื่นนะครับเหมือนว่าทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราก็ผมใช้วิธีคือ ฟืนมันครับผมอดทนทําทําสัวว่ามันอยากอยากให้เราลุกหรือว่าเราเปลี่ยนท่าใช่ไหมครับผมก็จะนั่งนั่งนั่งทําตรงข้ามกับมันนะผมแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆมันก็หายไปเองเลยครับผมถัดไปท่านคําถามของท่านทศพลทศพลองคไหนครับยกมือขึ้นอ๋อทศพลทํ า, าความเพียรทั้งวันเหมือนกันนะผมมือมีเรื่องอยากถามหลวงพ่อว่าผม เจอสติแบบที่ครัวจันแนะนำมาแต่ผมก็ไม่เกิดปัญญาผมไม่ท้อผมจะทำต่อไปเพื่อนสหธรรมิกที่วัดเดียวกันเขาถามว่าคุณไปปฏิบัตบบิบ่อยแล้วบ่อยๆแล้วจะได้อะไรมาผมก็ตอบไม่ได้ที่หลวงพ่อว่าพาะปัญญามันยังน้อยอยู่เขาก็ย้ำถามอีกว่าเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะแล้วได้อะไร ก็ขึ้นมาเป็นผมขึ้นมาถามน้องตาอายุราวหกสิบมาบวชรอบไหนก็ไม่รู้มาบวชผมนี่แหละครับผมก็เลยตอบไปแบบตื้นๆว่าก็ได้ฉันอิ่มท้องไงอยู่ไปอยู่วันวัน <c oughs> <c oughs> อยู่ได้วันวันก็ไม่ใช่ไม่ใช่พอยกมือดอกหรือ <c oughs> พอสร้างจังหวะใช่ไหมเราลองนอนเล่นๆอยู่ที่ กุตติทุวันต่อไปเรื่อยๆคงไม่มีโยมมาเข้าวัดทาบุญหรอกนะผมก็มโมโหตัวเองมากที่มีปิมปัญญาตอบขอได้ไปถึงมาขอความเมตตาจะหลวงพ่อช่วยแนะนำผมนะเอา็อดีนะนี่อย่างน้อยก็มีปัญญาเขียนออกมาได้นะใช่ไหมนี่คือปัญญาแล้วนะอันทศพลถ้าไม่มีปัญญาจะเขียนออกมาไม่ได้นะใช่ไหมนี่คือปัญญา อ่เอปัญญาคือสามารถที่จะเห็นภาพของความคิดเนี่ยแต่สามารถเอาออกมาเป็นรูปธรรมได้แต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยความคิดที่เอาออกมาเป็นรูปธรรมอะไรคิดแล้วหายไปคิดไปหายไปเป็นหมื่นๆแสนแสนเรื่องใช่ไหมแต่เราจะเขียนออกมาสักเรื่องเป็นเครื่องตัวหนังสือเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยนะอ่อวันนี้อาจจะคิดจังร้อยเรื่องเนี่ยลองให้เขียนออกมสักเรื่องจํางจำได้ไหม แทบจะไม่ได้สักเรื่องเลยนะแต่นี่คุณเขียนออกมาได้เรื่องใช่ไหมนี่คือตัวปัญญาละอ่าสามารถเรียบเรียงออกมาเป็นคําพูดแต่ตัวความคิดที่ออกมาเป็นคําพูดออกมาเป็นคําเขียนไม่ได้ก็ไม่สามารถจะกลองได้สิ่งที่กลองออกมาเป็นการกระทํากายวาจาและใจให้สำคัญกัน น, นี้ออกมาเป็นปัญญาคิดท้างเดียวคิดดีขนาดไหนก็ยังไม่เป็นปัญญาที่ยังไม่ครบด้วยกายแต่ด้วยวาจา ความคิดที่บรญยายออกมาเป็นคําพูดได้เป็นปัญญาความคิดที่เขียนออกเป็นหนังสือได้เป็นปัญญาเพราะมันผ่านทั้งสามทวารกายวาจาใจคิดมากมายแต่ว่าออกมาพูดก็ไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่ปัญญาละกลายเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นคนที่เขามีปัญญาทีเขียนหนังสือเป็นได้เป็นตั้งตั้งนะนอันนี้คุณเขียนออกมาได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นปัญญานี่อันนี้กองกองมาทั้งหมดแล้วได้แค่นี้นะ <laughs> กันออกมาหาปัญหาข้อต่อไปของท่านสุธุสุพลหรืออันเดียวกันหรือเปล่าคนณอันน ะ, ะผมมีเรื่องอยากถามว่าการสร้างสมบุญมาในชาติมากในชาตินี้จะเป็นการผูกพบผูกชาติได้หรือไม่เพราะว่าตับใดที่มีบุญก็มีบาปถ้าบุญที่สร้างมาหมดลง ก็เกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเราเป็นพระเราก็ต้องบริจาคปัจจัยเราต้องบริจาคปจัจจัยไหมขอรับหรือปฏิบัติอย่างเดียวก็พอแล้วหรือให้ทานด้วยชื่อว่าสูงสุดใช่ได้ไหมถ้าอยู่ในพิในเวลาปฏิบัติอยู่กิยาใดไม่ถือว่าผิดวินยัยกิยาใดไม่ถือผิด วินัยสูงยกเว้นส่งเสียงร้องใช่ไหมหมายถึงบริหารร่างกายถือว่าการบำบัดหรือเปล่ากราบขอพระคุณนะก็อันนี้ก็ปัญหาการตั้งปัญหายังไม่กระชับนะการตั้งปัญหาต้องใช้ปัญญาอีกนิดนึ่งวิธีการผูกปัญหาที่กระชับแล้วก็กินข้อความแล้วก็ได้อ่านแล้วเข้าใจ แต่ในที่นี้บอกว่าการอ่าทําบุญเนี่ยจะเป็นการสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาใหม่ไหมเพราะเราเพราะมีบุญก็ทําให้เกิดเป็นบาปแล้วก็ตัวบาปแล้วบุญนี้ก็ทําให้ไปเกิดเป็นมนุษย์โลกอีกก็ถือว่าสร้างภพสร้างชาติเออ น, นี่น่าคิดนะใช่ไหมว่าอันนี้คุณเกิดมาเป็นทุกข์ทุกวัรรคได้สร้างบุญมาด้วยสร้างบาปมาด้วยทําให้เกิดพบเกิดชาติถ้าโยงถามงี้เราจะตอบอย่างไรนะ เราจะตอบยงไงท่านบอกว่าการสร้างบุญกับบาปเนี่ยมันทําให้เกิดจริงแต่บุญทําให้เกิดในทางในไหนก็จะเกิดแล้วระหว่างมีความสบายก็ไม่สบายเนี่ยอยากเกิดแบบไหนก็ <S <S ถามโยมอะนะในไหนเ ก, ก็ต้องเกิดแล้วนะโยมอยากเกิดมาเดือดร้อนหรืเกิดมาสบายเขาต้องจะ อ, อยากสบายใช่ไมืมถ้าสบายคุณก็ต้องสร้างบุญ เราจะรู้ได้ไงบุญที่ผมสร้างจะไปเกิดทําให้เกิดความสบายอเราเอาโยงลองยกมือดิํากำปั้นใส่หน้าคนกับยกมือไหว้ต่อหน้าคนเนี่ยอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปเราจะรู้ได้ยังไงนะอ่เรากํากำปั้นใส่หน้าคนดูดิคนจะรู้สึกยังไงไม่ชอบใช่ไหมบาปเกิดหรื อ, อยังเกิดแล้ว เพาเขาไม่ชอบอยกมือไหว้คนรู้สึกยังไงต้อเป็นคนไทยได้วยนะถ้าไปไหว้ฝรั่งมันไม่รู้เรื่องเหมือนกันะมันอาจจะบอกว่าดูถูกมันก็ได้นะ เ, เขาก็ชอบะเ น, นี่ยสร้างบุญสร้างบาปหรือคุณพูดด่าเขาก็ชมเขาเนี่ยด่าเขาเป็นบาปใช่ไหมก็เกิดเหมือนกันเกิดผลไม่สบายคุณอาจจะถูกตีหน้ากลับก็ได้แล้วหากว่าคุณชมเขาเอาเขาก็หัวเราะสิ่นใจใช่ไหม เราก็ได้รับความสบายใจเเพราะฉะนั้นบุญบาปคือสร้างได้ในขณะนั้นเลยไม่จําเป็นต้องไปเกิดพหน้าชาติหน้าเพราะฉะนั้นเราทำทุวันเนี่ยเราไปเห็นพูดกับคนบางคนเขรู้สึกพอใจพูดกับคนบางคนเขาไม่พอใจแสดงว่าอยู่ที่เราพูดถูกหรือไม่ถูกสิ่งไหนที่เราพูดออกไปเป็นบุญเขารู้สึกพอใจใช่ไหมสิ่งไหนเราพูดออกไปมันไม่เป็นมันเป็นบาปทําให้เขาไม่พอใจอเพราะฉนั้นบุญบาปสามารถพิสูจน์ได้ทันทีใช่ไหม ไม่ต้องไปเกิดในช่วงหน้าชาติก็ได้พิสุจะบริจาคปัจจัยได้ไม่หรือปฏิบัติปฏิบัติทางการให้ทานมีสามอย่างให้วัตถุเป็นทานนะแล้วก็ให้อภัยเป็นทานแล้วก็ให้การปฏิบัติเป็นทานแต่ในสามอย่างนี้ท่านบอกการปฏิบัติเป็นทานอันสูงสุดเป็นการบูชาที่สูงสุด นะแต่ว่าการให้ทานในการเมื้าเราบวชเป็นพระแล้วเราต้องเอาทานระ ด, ดับสูงไม่ต้องเอาทานต่ําๆเท่ๆหมายเขาว่าอสมมุติว่าคุณไปทํางานอันนี้ได้เงินมาไปทํางานนี้ได้ทองมาแต่ไปทํางานอันนี้ได้เพชรมาคุณจะไปทํางานแบบไหนเอาเพชรดีกว่าเนาะเพชรแค่กระดาษเดียวขายได้เป็นแสนอย่างเงี้ยนะแต่ทองบาทเดียวขายได้ไม่กี่พันแต่เงิน บาตรก็คือบาทรหนึ่งนั่นเองไงใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ทําในส่วนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการให้ทานคว้าคือให้กิเลสเป็นทานด้วยการปฏิบัติใช่ไหมทีนี้บอกว่าการปฏิบัติออข้อนี้ไม่ชัดนะการไม่ชัดเพราะฉะนั้นก็ก็ไปแต่งคําถามมาใหม่นะข้อที่สามเนี่ยไม่ชัดอันนี้ของคุณทรอพลก็เกิดประโยชน์นะครับ อัทีนี้อีกท่านหนึ่งของอพระนนทวัตรจันทโสรพนุองไหนครับนนทวัตรพระใหม่ฮนะการเดินจเจริญสติพื้นที่เดินมีความลาดเอียงความราบมีผลต่อการจเจริญสติหรือไม่ความลาดเอียงในพื้นที่เดินมีผลจเจริญสติหรือไม่ เราต้องแต่งประโยคแบบนี้นะถึงจะเข้าใจการเดินด้วยเท้าเปล่ากับการใส่รองเท้าเดินมีความแตกต่างกันอย่างไรในเกินเจริญสติคนใส่รองเท้าหรือไม่เนี่ยปัญหาง่ายๆไม่มีใครคิดถึงแต่คุณนนทวัตคิดออกมาได้อันนี้คือถือว่าเป็นปัญญานะถือว่าได้ปัจจุบันขณะล ะ, ะการเริญเดินในพื้นที่ลาบจะทาให้ไม่ต้องเกิดเวทนามากนะัก เพราะการปฏิบัติต้องมีเวทนาเบาบางถึงจะเกิดปัญญาได้ง่ายจะเกินไปที่เดินในที่เป็นหลุมเป็นร่องหรือลาดเอียงมากเกินไปก็ให้เกิดเวทนาเพราะว่าที่ไม่สม่ำเสมอเกิดตึงเกิดเคร่งเกิดย่อนเกิดเวทนามากกว่าที่ราบเพราะเวทนาเดินไปนานเข้าเนอะเข้าจะตึงที่ขาใช่ไหมก็ให้เกิดเวทนาหนักเพราะเวทนาหนักเป็นเหตุให้เกิดตัวมุงอิจลัคาญแล้วเกิดความไม่สบายใจ เกิดความเผลอง่ายมีผลนะและการใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่รองเท้าอันไหนดีกว่ากันการใส่รองเท้าทำให้ไม่ต้องเท้าเปื้อนทำให้เดินสบายและทำให้เพลินได้ง่ายแต่การไม่ใส่รองเท้าเราทำให้เดินสัมผัสพื้นโรคภัยคข้เจ็บจะหายง่ายเพราะว่าถ้าดินมีพลังสูงแต่ในโลกในตัวของเราก็จะถูดลงถูก ดูลงทากดินไปแล้วได้สัมผัสได้ตรงได้รู้สึกตัวง่ายแม้จะเท้าจะเปื่อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมวันนั้นถอดรองเท้าเดินทีฟ้าข้อสองการฝึกการเจริญสติในเรียบทต่างยืนเดินนั่งนอนคนฝึกทุกเรียบทอพร้อมกันหรือฝึกทีและท่าอันนี้ก็คงจะตอบได้มั้ง ย, ยืนก็ต้องยืนเดินก็ต้องเดิน นั่งก็ต้องนั่งในการฝึกคนฝึกทุกเรียบทอการฝึกฝนต้องทุกเรียบทนยืนก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกนั่งก็ต้องฝึกนอนก็ต้องฝึกด้วยนะไม่ใช่ว่าไปยืนเท่านั้นนั่งนะแต่นี่จะถามว่ายืนเดินนั่งนอนมีอยู่แล้วคนจะฝึกหรือไม่ฝึกเนี่นะเราอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจเราก็จะฝึกตลอดเวลาเหมือนคุณอยู่เฉยๆดอกเบี้ยในธนาคารเกิดตลอดเวลา พรคุณมีเงินฝากใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีเงินฝากคุณไปกู้หนี้เข้ามาอยู่เฉยๆดอกเบี้ยก็ขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันใช่ไหมแต่คุณมีเงินฝากอยู่เฉยๆดอกเบี้ยในธนาคารก็เพิ่มตลอดเวลาแล้วคุณจะแบบไหนใช่ไหมง่ายๆถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะแล้วเหมือนคุณมีเงินฝากในธนาคารดอกเบี้ยขึ้นตลอดเวลาแต่คุณขาดสติสัมปชัญญะเหมือนคุณไปกู้เงินเข้ามาคุณเสียดอกเบี้ยตลอดเวลาเพราะนั้นคนฉลาดจะเลือกอันไหน มีสติสมมุติยะตลอดเวลาเพราะว่าบุญบุญส่วนเราจะได้งอกปัญญาจะงอกขึ้นตลอดเวลาก็จบนะ น, นี่ปัญหาของท่านนนทวัฒน์ท่านวัชระอันนี้ไม่รู้เป็นคำถามหรือเปล่าคือเขียนกลับกันนะกับข้างกันผมบอกให้เขียนให้ถามปัญหาด้านนี้แล้วให้เขียนปรญยาทางด้านนี้อันนี้กลับกันนะครับกลับกัน แต่หน้านี้ไม่เขียนเลยเลยแสดงว่าอ๋อเวลาถามปัญหากลับมาเป็นหน้านี้นะฮะเออเขียนมาลวลา ต, ตรงกับข้ามที่ผมบอกองค์ไหนพระชล่าครับยกมือขึ้นอ๋ตอตรงเขาจะถามปัญหามาหนึ่งข้อเผลอกับเพลินต่างกันอย่างไรอ่าอันนี้เป็นหาจงุจงต่อตรงหฉวพาะเลยนะเผลอต่าง ก, ากันเผลอเกิดจากความที่รู้สึกไม่สบายกาย กายรู้สึกไม่สบายมันเผอใจไม่อยากอยู่ลักษณะเผลอเนี่ยหมายความว่าไม่อยากอยู่บ้านเพราะบ้านหลังนี้อยู่แล้วไม่สบายอยากหนีไปเที่ยวบ้านเลขะกันเผลอนะคือออกจากบ้านแต่เผลอเนี่ยบ้านนี้น่าอยู่ไม่อยากไปไหนเลยอยากจะนอนอยากจะดูหนังฟังเพลงอยู่กับบ้านไม่อยากไปไหนเลยนี่คือเผลอก็ทำให้ติดจมในบ้านหลังนั้นแต่เผอทำให้อยากจะเนี่ยจากจะหนีบ้านหลังนั้น อันไหนดีกว่ากันทั้งสองอย่างไปเช่าห้งหนีบ้านแล้วก็อยู่ติด บ, บ้านแต่ไม่รับรู้อะไรเล ย, เลยดูหนังฟังเพลงนอนหลับกินเหล้าเมาอยู่ในบ้านได้แหละอันไหนดีกว่ากันทั้งสองอย่างอีกอันหนึ่งไม่อยากอยู่บ้านอีกทังยังไม่อยากไปไหนอยู่ อ, อ, อ, อ, อยากอยู่แต่บ้านเพก็มีแกมีเหล้ากินมีดนตรีฟังมีเสบให้เสพสนุกมีไพ่ให้เล่นมีเกมให้เล่นอยู่กับเกมในบ้านตลอดเวลาไม่ไปไหนเลยทั้งสองอย่างเนี่ยอันไหนดีกว่ากัน pardon. อ่าไม่ดีทั้งสองอย่างใช่ไหมที่ดีจะทำไงอยู่ในเวลาที่คนอยู่ไปในเวลาที่คนไปไม่ใช่ไปโดยที่ไม่อยากไปอยู่ไม่โดยนี้ไม่อยากอยู่นี่แนะลักษณะนี้ไม่ดีเข้าใจไหมโอเคแต่รู้สึกจะไม่เป็นคำถามใช่ไหมท่านแดงอ่าไม่มีคำถามเนาะแต่เขียนผิดที่หรือเปล่ามนะีตรงข้ามถามข้างหน้าโดยบรรยายข้างหลัง อ๋อเนี่ยข้างหน้าเป็นที่อยู่เฉยๆต่เขียนปัญญาข้างหลังครับอันนี้เปลี่ยนมาเขียนบัญญาข้างหน้านะครับเอาปัญหาว่าข้างหลังเวลาผมเปิดจะหาได้ง่ายไม่ต้องพลิกหาไปหามาเปิดข้างหลังเลยพระปัญญามีคําถามไหมครับความพอใจและความไม่พอใจต้นเหตุเกิดมาจากไหนวิธีใดที่แก้ไขได้ ท่านองไหนก็ปัญญาอ๋อท่านต่องเองอ่ะอชื่อเพราะเพราะนะชื่อปัญญาแต่ทําท่าไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่นะความพอใจและความไม่พอใจต้นเหตุเกิดมาจากอะไรวิธีใดที่จะแก้ไขได้แบบเดียวกับปัญหาข้อของคุณนั้นเมืเ่อกี้อ่ะ ความที่พอใจก็คืออยู่ติดบ้านนะไม่ต้องไปไหนพอใจอยู่แค่นี้แหละไม่พอใจก็ไม่อ ย, อ, ยอยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วอยากจะไปให้ไกลกับคนคนนี้เพราะคนนี้หละฉันรักคนเนี้ยฉันอยากจะอยู่คนนี้ตลอดเวลาเลยแต่วันนี้คนนี้คนเกลียดฉันไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยอันไหนดีกว่ากันถ้าสองอย่างเมื่อดีเลยใช่อ่ารักในสิ่งที่คนรักช่งไม่คนจะมีเลยนะเพราะฉะนั้น ต้นเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่าคนเรานี่จะมีความรู้สึกประจําตัวอยู่สามอย่างหนึ่งความรู้สึกสบายสองควารู้สึกไม่สบายทางกายก่อนนะสามควมรู้สึกเป็นกลางมีไหมบางครั้งอางทีมันรู้สึกไม่ชัดอนะแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยมันก็รู้สึกชัดว่ามันไม่สบายนะหนักปวดหลังปวดเอวหนักกระโพกดิ้นไปดิ้นมาเกิดความรำคาญใช่ไหมเกิดความห ง, งุดหงิด ไม่สบายนะต้นเหตุมาจากว่าร่างกายไม่สบายแต่อยากจะให้มันพออยู่ได้ทําไงก็ปรับปรับเรื่อยๆใช่ไหมจิตใจก็พออยู่ได้ไม่งูหนีลาคาญแต่นั่งไปนานๆโอ้เมื่อไหร่หลวงพ่อจะพูดจบฉันอยากจะไปนอนเต็มทีแล้วเนี่ยเป็นอกุศลแล้วใช่ไหมนี่ขอเราไม่สบายมันจะคี้ไปทางอกุศลนะแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกพอใจนี่โอ้หลวงพ่อพูดสนุกจังวันนี้ไม่ไหล่จบไปไม่อยากให้จบวันนี้อยากอยาฟังทั้งคืนเลย ก็าไขอท้าเงินนะผมก็เหนื่อยแย่เลยนะคุณก็ฟังคนอื่นเขาอาจจะราคาญคุณพอใจของคุณคนเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ทั้งสองอย่างไม่ดีเลยต้นเหตุมาจากว่าเมื่อเกิดความรู้สึกสบายเราไปเสพอยากจะให้อยู่นานๆเมื่อเกิดความไม่ไม่สบายเราก็จึงปฏิเสธไม่อยากจะให้เกิดอีกเราก็อันนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นความพอใจไม่พอใจที่เราไปเสพนั่นเองเป็นต้นเหตุ ให้ความพอใจไม่พอใจเป็นทันเหตุมาจากความสบายกายและความไม่สบายกายที่เราไม่ได้ตามรู้ที่มันเราไม่ได้ปรับมันก็เกิดให้เกิดความไปสู่จิตแต่ละร่างกายสบายก็ยให้เพลินร่างกายไม่สบายก็ปรับเรื่อยๆความพอใจไม่พอใจก็จะไม่เกิดเพราะว่าเราปรับให้มันพอดีอย่างรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้คือ อันนี้คือประโยชน์ของการบันทึกนะครับเราก็พอได้ความรู้ที่เรายไม่เคยได้เราได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้ว <c oughs> เอออีกอันหนึ่งของมิสเตอร์แมน่จะของดรสักส่งหรื อ, อยังฮะเอเอามาสง่งอาจจะมีคำถเยอะเลยนะคุณนะมิสเตอร์แมนยูด Have any question โ okay? อเค Do you have some question? a uh, yeah, you don't record it. If you have some question, you can record it in your uh, pocket book. Okay. Here you didn't uh, give any question, but you have the recording. But very short. Please, you keep some more information about that. Nah, record more detail. Okay. Yeah. h o w d o what? You, you, y o o u o u you, y o o o you, you, y o o o o o you, o o o o o you, o o o o o you, o o o you เห็นบันทึกทงวันบันทึกจนหมดเรื่มมฮะบุคคลเขียนน้นไปถึงหน้าด็เตรบันทึกหมดเรื่มเลยปัญญาเยอะเกินไปนะครับก็เป็นว่าหมดเวลาของปัญหาแล้วนะเราให้เวลา1ึชั่วโมงจบละทีนี้ท่านผู้ใดที่มีปัญหาอื่นที่มาบันทึกถามมีไหมครับ ใช้วิธีถามปากเปล่า Any question please? Uh, man you don't have any question okay? Okay ก mm ็ hmm. okay. ตกลงว่าทุกท่านไม่มีปัญหาที่จะถามโดยปากเปล่านะหรือคุณน้อยจะถาม uh, Yes Mister Chutti please uh, มีสองอย่างในช่วงไหนที่รู้สึกว่าจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันสัดสาย พยายามรมสายตาลงเฉพาะหน้าเพื่อให้จิตไม่รับ้การกระทบหลายๆทางพร้อมกันก็จะลดการจิตของเราไม่สงบหรูปงแดงฟุ้งซ่านได้ระดับหนึ่งสองเมื่อรู้สึกเดินไปมันง่วงเหงาหรือมันฟุง้งซ่านมันเอ่อมันง่วงเหงาหรือมันซึมหรือมันจิตสงบเนี่ยนะก็คนที่จะดูไปไกลๆหรือมันมันรู้สึกว่ามันจิตสงบ เกินไปมันทื่อเกินไปเนี่ยมันหนักเกินไปมันเพ่งเกินไปแล้วก็คนจะมองออกไปไกลในบางครั้งแต่ถ้าหากว่าเป็นกลางหมายความไม่สงบกเกินไปในขณะเดียวก็ไม่ฟุ้งซ่านเกินไปก็ดูธรรมดาเท่าที่ดูได้อันนี้ดูดูข้างในเป็นหลักนะอถ้าหากว่ามันตั้งใจมันเพ่งเกินไปก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยถ้าตั้งใจเพ่งกินไปสักพักมันจะเกร็งมันจะหนักมันจะเมื่อยมันจะไม่สบายก็ต้องปล่อยสายตาออกไปไกลนะ แล้วถ้าหากว่าเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเกินไปก็สำรวนสายตาลงมาให้จิตมันรวมก่อนอันมีผลนั้นเอาข้างในเป็นหลักนะก็เป็นว่าปัญหาทุกข้อได้รับการเคลียร์เรียบร้อยนะครับสําหรับบันทึกที่เหลือนี่ผมก็จะไปอ่านแล้วก็จะได้รู้วิธีการการบันทึกของท่านว่าทําไปโดยตั้งใจทํา หรือทําไปโดยไม่ตั้งใจนะถ้าทําไปโดยไม่ตั้งใจเขียนให้มันพ้นๆไปมันเป็นกิจกรรมยังไงก็ได้ผมก็จะรู้เหมือนกันเออนี่ถ้าหากไปทําเรื่องใช้ชีวิตของท่านก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันทําให้ไปแล้วแล้วไปงานจะได้กำไรจะขาดทุนไม่สนใจชีวิตของท่านก็ไปไม่รอดเหมือนกันว่าเนี่ยงานอะไรก็ตามที่อยู่เฉพาะทาให้ดีที่สุดแม้สิ่งนั่นจะมีสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ตามแต่เรามุ่งเพื่อทําดีไม่ใช่ทําให้มันพ้นๆไปหรือไม่อยากทําเลย คือไม่สุดตรงทั้งสองข้างสุดตรงอีกข้างหนึ่งคือไม่อยากทำเลยอีกข้างหนึ่งทำเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าทำเพื่อให้เกิดเป็นบทฝึกฝนว่าเออถ้าหากว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่จะต้องใช้ข้อมูลข่าวสารถ้าเราไม่ฝึกตัวเองเลยเนี่ยเราก็จะไม่เป็นคนไม่มีทักษะในการเขียนไม่มีทักษะในการพูดไม่มีทักษะในการ ตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้ก็ควรจะปรับให้มันดีขึ้นทำได้บ้างแล้วทำให้มันดีขึ้นลักษณะที่การพัฒนาตัวเองเพราะเรามุ่งเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ได้เอาความดีความชอบอะไรเราเค่อยจะสิ่งนี้ก็จะเป็นเป็นคุณสมบัติหรือเป็นทักษะเป็นประสบการณ์ติดตามชีวิตเราไปวันหลังเรามีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเราก็จะเรียนรู้ได้เร็ว นะเพราะว่าเราใส่ใจไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยสิ่งนั้นเป็นสิ่งดูเหมือนไม่จำเป็นแต่เราทำมันดีที่สุดไอ้ตัวที่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันก็จะกลายเปน็นนิสัยปัจจัยส่งไปสู่เรื่องอื่นด้วยอราพอไปอ่าเรื่องอื่นแล้วก็ทำได้ดีทำเรื่องนี้ดีทำเรื่องง่ายได้ดีเรื่องยากก็ทำได้ดีเหมือนกันมันก็เป็นการสั่งสมบุญบรารมีปัญญาบรารมีไปในตัว เราก็จะไม่ดูถูกการกระทำของตัวเองเราจะให้เกียรติการกระทำของตัวเองเสมอว่าเราลงลงมือทำอะไรก็ตามเราจะทำให้ดีแม้สิ่งนั้นจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ตามลักษณะนี้ก็เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองไปในตัวนะครับเราจะบรรจงเขียนอย่างดีถึงจะเสียวเวลานิดหน่อยแต่ว่าเราใช้สติสัมปชัญญะก็ถือว่าขณะเขียนเราก็ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันผลก็ออกมา อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นโอ้จะคิดแบบเล่นน็อตไว้ได้คุ้มกันหรือเปล่าเนี่ม น, นั่งเขียนเนี่ยอะไรของนี้หลวงพ่อก็บอกเออถ้าทําด้วยสติสัมญามันเกิดปัญญาก็คุ้มนะแต่ทํำด้วยความฟุ้งซ่านเลอะเทอะเลอะเรือนนี้ก็ไม่คุ้มก็อย่าไปทำนะอันนี้ก็จะต้องพิจรารณาถึงเหตุถึงผลด้วยนะตกลงว่าเราได้อตอบปัญหาแล้วทําบันทึก ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้นะเวลาที่เหลือก็จะให้เราไปทำปารกความเพียรอะสสำหรับวันนี้ผมท่านจันพงศ์ท่านมศักดิ์และท่านอูได้ไปเตรียมพื้นที่ด้านหน้าประมาณสิบกว่าที่สำหรับพระที่อยู่ด้านนี้ที่จะย้ายไปในวันต่อไปแล้วแต่ท่านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบเนี่ยท่านจะย้ายวันไหนก็ได้อ่ะ แล้วก็ทางด้านฝั่งทางด้านตะวันออกทางด้านนี้สมมติทางด้านนี้ฝั่งน้ำทางนี้จะเตรียมไว้สำหรับอุบายศกเพราะไมื่เช้าได้บอกว่าอุบายศกที่จะเก็บอารมณ์ประมาณกี่ท่านหนึ่งคุณราชันสองคุณน้อยหรือคุณชัยศรีสามคุณชูทีสี่คุณวิชัยห้าคุณปีชาหกคุณแมนกับลุงศักด์ก็อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อที่นี่นะก็หกเจ็ดท่านเนี่ย ทั้งห้าท่านเนี่ยให้ข้ามไปด้านนู้นจะให้นิ น, นอตกับ น, นินเหน่งไปเป็นเพื่อนทางด้านนี้นะคือคุณาราชันคุณน้อยคุณชุทีคุณวิชัยคุณปีชาทั้งห้าท่านแต่สำหรับคุณลุงศักดิ์หรือเรีกเตอร์ศักดิ์กับคุณแมนก็มาอยู่ทางด้านนี้ เ, เพืาอว่าจะได้ดูแลกัน เพราะทางนู้นถ้ามากขึ้นกว่าห้าคนก็จะที่ก็จะอาจไปที่ดีมากนะคไปไปเคลียร์กันวันนี้ล้วแต่ว่าต้องไปปรับที่ในจกกุมเอาเองที่วางเต็นที่มันราบจะวางเต็นที่ไหนก็ได้แต่ว่าจะห้าในหนึ่นงกันเนาะไปดูเป็นเพื่อนด้วยจะดูที่ก่อนว่าจะแคบไปไหมถ้าแคบก็จะสำเนินอาจจะไม่ต้องตามไปพรุ่งนี้จะพาไปดูในช่วงเช้านะแล้วก็สําหรับทางด้านนี้ดูเหมือนท่านอูกับท่านมสมศักดิ์ได้ลองไปลองย้ายไปดูแล้วใช่ไหมครับ เป็นไง บ, างบ้างพอพอจะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับแต่เรื่องน้ำต้องดูก่อนครับว่ามันตอนนี้เขาสูงขึ้นหรือยังสูงขึ้นแล้วครับหุนนั้นเืองใช้เร่ใช้ใใช้ได้ดีใช้ได้ดีห้องน้ำก็ใช้ได้ดีนะแต่เรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องอาบนี่ต้องดูกอ่อนเพรอาบได้ไหมอ๋อมันขุนเนาะแต่ถ้าในสายใหญ่ที่เราตักขึ้นมาอาบมันไม่เีกรไดลงเนาะสายใหญ่สายใหญ่ใช้ไม่ได้ครับน้ำมันลงไปข้างล่าง เขวเก็บน้ำเพื่อลงไอ้ข้าวหมู่บ้านอ๋อแต่ว่าถ้าเราใช้นี่หน่อยก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่าเราลงไปตักไม่ได้ทีมันต้องมีวินัยตักออกมาแล้วไม่ใช้ข้างนอกอ๋ตักน้ำนนั้นเองถ้าเราก็มีก็จะหากก็ดีเนะนี่เขาไม่มีให้ดูดว่ามันะอนรอไเพราะว่าผมไปดูแบบชาวบ้านอยู่วันนี้พราะในท่อเนี่ยก็มีพวกตะอนพวกมพวกอะไรเยออ๋อต้องล้างหลายวันดูดูก็เปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวันั้นเอง ถ้าอย่างนั้นเอางี้ไหมว่าตั้งวันเราไปเปิดจนเย็นเราก็มาอาบทางนี้กลางวันถ้าเราไปปฏิบัติที่นู่นจนเย็นก็กลับมาที่นี่เพราะทางด้านนี้เราจะใช้ไปที่นอนก็ได้จนกว่าจะปรับปรงตัวเนาะเขาย้ายไปเต็มที่ตอวนี้ก็อยู่ทดลองใช้ไปก่อนถ้าเงินขายไม่ดีขึ้นเราก็ย้ายไปเพราะว่ารุ่นน้องๆอยู่ทางนี้ก็ได้ตามไปก็จะมีถ้าสมนีนไปทางด้านนี้มันจะแออัดไปก็ย้ายมาทางนี้เพราะมีที่ทางนี้ประมาณเท่าไรสิบที่เนาะ สิบที่ก็มีท่านทศพลสมเนินจันพงก็อยากให้เป็นเพื่อนอยู่ทางนี้ด้วยเนาะเพาถ้าอยู่โซนนี้จันพงศ์ก็จะไปเป็นเพื่อนทางนี้ด้วยทางด้านนี้แออัดไหมครับทางด้านในลาห้วยเนี่ยซึ่งลงตัวไหมลงตัวนะถ้าลงตัวก็ไม่ต้องย้ายแต่ด้านนี้ว่ า, า, าที่มากับทั้งสองเป็นไอทางเดินทั้งทั้งสองท้งนี้สามท่านเป็นฮะน ปรับเข้าที่ได้ยังตรงกลางตรงที่อยู่ตงกลางท่านใดเออท่านสงการนะเป็นไงอยู่ตรงนั้นลงตัวไหมถ้าไม่ลงตัวย้ายมาทางนี้ก็ได้ลองไปดูทางนี้บ้างก็ได้นะถ้าทางนี้รู้สึกดีกว่าย้ายมาอะไ้แต่รู้สึกอยู่ตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นนะทั้งสองท่านนะ ลองไปดูก่อนแต่สําหรับทางด้านนี้ท่านวัชละอัานจันแดงท่านอะไรอีกนะยู่บนอ่ะฮะเป็นครับเบนนะเป็นทั้งสามท่านก็ลองอยู่ทางนี้ไปก่อนเนาะเผื่อว่าถ้าอยู่นี้ถ้าไม่สะดวกไงก็ย้ายไปนั้นก็ได้ก็มีก็ให้ดาลงสักชุดก็ได้หลังวันที่สิบก็ย้ายไปก็ได้ อันนี้เพื่ อ, อป้องกันการขุกคีอันหนึ่งแล้วก็ป้องกันความเคยชินที่มันอยู่แล้วรู้สึกว่นไม่สงบไปได้อารมณ์เนี่ยเราก็ต้องปรับดูนะครับสำหรัอุบายนศกก็อยากจะให้ย้ายออกไปจากเพราะเราอยู่ที่บ้านเพราะเราก็อยู่ตามอาคารบ้านเรือนมันเคยชินเนาะเราไปอยู่ป่าวังเปงไงไปสร้างทักษะใหม่ๆ ม, มันอาจจะเกิดความตื่นตัวก็ได้ อันตื่นตัวนี่ทำให้เราไม่ประมาททาให้มีสติได้ง่ายได้เห็นความพอใจไม่พอใจได้ง่ายขึ้นแต่เราอยู่ในที่สบายเนี่ยความอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันไม่ชัดเราก็ดูให้มันชัดขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วผู้นี้เข้าไปสํารวจ ด, ดู ก, ก่อนว่าใครจะอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาเต็นไปเพราะเรามีเต็นอยู่ไปกลางไปปักที่ยวเองด้วกันว่าจะเดินตรงไหนจะนอนตรงไหนเพราะที่มันลากอยู่เป็นส่วนใหญ่หลวงพ่อจันพงศ์ไปทําไว้ตอนกลางวันกับชาวบ้านนะ ก็อยู่ข้างคลองนะจะอาบน้าสรงน้ำอะไรตรงนี้ก็ได้เลยนะก็บรรยากาศเย็นดีในช่วงเย็นในช่วงเช้าก็ยิ่งสบายในช่วงบ่ายมันจะก็แสงก็เข้าไม่ไม่ถึงนะก็ไปเดินดูก่อนพวกนี้นะอยูผู้ชายทั้งห้าท่านข้ามไปท้งนี้สำพสหรับพระเราที่อยู่ทางนี้ไม่สะดวกก็ไปทดลองอยู่นี้ดูนะอันนี้ก็คือกิจกรรมในะวันนี้นะครับก็สมกวกับเวลา ถ้าไม่มีอะไรก็กราบพะพุทธคำ